ก็ฝึกฝึกคิดได้นะแต่แต่ว่าสําคัญที่สุดนะคนที่จะเจริญอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ใช่นั่งเครียดมาครึ่งวันแล้วมาคิดให้คนอื่นมีความสุขไม่ค่อยมีหรอกนะ ก, ก็ต้องทีแรกก็ต้องฝึกให้ตัวเองก่อนนะรู้จะมาดูเนี่ยดูเขาอีกพักเดียวจะงดหงิดแล้วนะนะอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายสิบปีนะันะ้นก็พอจะรู้นิสัยกันบ้างนะนะตัวเองอั่นแหละแล้วก็เออเนี่ยรู้แนละ้วจะไม่สบายเนะี่ยที่อาหารเนี่ยรู้ไหมว่าตอนนี้เริ่มจะหิวแล้วนะเนี่ยนะเลยหาร้านหาอะไรไปเบ็ดเสร็จหมด จิตของเราก็เหมือนกันมองเออเนี่ยนะอีกพักเดียวจะมีโทสะอีกแล้วนะถ้าคิดให้มันเป็นกุศลไปซะก่อนเนี่ยนะให้มันผ่านวิกฤตตรงนั้นไปก่อนแล้วมันจะเริ่มมันก็จะดีขึ้นอีกนั่นแหละกับบางคนเนี่ยวิธีสึกอย่างหนึ่งเนี่ยนะถ้าเราจะต้องไปคุยกับคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราคือสิ่งที่เราจะพูดต้องเป็นสุจริตนะอันนี้เราตอนแรกก่อนเหมือนรักษาศีลของตัวเองให้ดีก่อนอันนี้เรียกว่าวีรตีศีลเพื่อจะเว้นจากทุจริตว่าเราต้องไม่พูดทุจริตกับเขานะ คือนี้ต่อไปอีกเราพูดยังไงเขาจะได้รับความสุขความเจริญแต่ก็พิจารณาแล้วกับหลายคนนะเรานิ่งเนี่ยเขาจะมีความสุขที่สุดถ้าเราเงียบเงียบ้างอั่นนิ่งบ้างเนี่ยเขาจะมีความสุขมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีแก้ บ, บางอย่างนะง่ายมากนิ่งบ้างก็ดีเหมือนกันเนี่ยนะแล้วเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนใจในตอนหลังด้วยเหมือนกันะ ก, ก็ฝึกใช้หลายวิธีเอาเนะ่ย คือพระ อ, องค์ตรัสบอกว่าอัตโนโจทะย ต, ตา낭เนี่ยนะเราบอกว่าตนเตือนตนตนโจดตนสอนตนนั่นแหละแต่ว่าได้ยินว่าไม่มีอะไรจะยากกว่านี้อีกแล้วนี่นะเพราะแต่ถ้าคนที่ฝึกตนได้อย่างนี้นะกลับเป็นผู้ที่ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์นี่นะเมื่อเราน้อมจิตไปเพื่อที่จะสอนตนฝึกตนแบบนี้นะเราจะเริ่มเอาศีลแล้วเนี่ยจะช่วยฝึกเราได้เราคิดยังไงให้เป็นศีลกับทุกคนได้ก็คิดแบบ แล้วคนเนี่ยเขาล่วงศีลต่อกันได้ไหมได้ถ้าล่วงศีลได้ทําไมจะรักษาศีลไม่ได้อไหนนก็ทุกคนเนี่ยเป็นสมมติว่อย่างน้อยที่สุดแต่ละคนเนี่ยมีชีวิตตินรีเป็นมีชีวิตตินซีรักษาใช่ไหมก็น้อมปราริว่าเราจะไม่คิดเข็นฆ่าเขาเหล่านั้นเลยอันนี้ก็เป็นศีลข้อที่หนึ่งนะถ้าจะเจริญศีลข้อที่หนึ่งในปฏิสัมพันธ์ามาร์กเนี่ยสําคัญนะที่ศีลอริยญาณที่จะเรียนถึงข้างหน้าเนี่ย จะกล่าวถึงว่าปานาติบาตอย่างเดียวนะถึงอารหาัตตมรรคเลยเนี่ยนะพิจารณาจเจริญเรื่องเว้นจากข่าสัตว์อย่างเดียวเนี่ยจนถึงอารหาัตตมรรคคือเขาคิดว่าเออเนี่ยการเว้นจากปาณาติบาตเว้นนี่ก็เป็นวีรตีใช่ไหมเจตนางดเว้นจากปานาติบาตแล้วก็ความไม่ร่วงละเมิดความสังวรความสำรวมในปานาติบาต ทัานทุกคนเนี่ยเป็นอารมณ์ของศีลท่านถ้าเขามีร้อยคนเราก็ได้ศีล ร, ร้อยครั้งอ่ะคิดเว้นค่าจากหนึ่งคนก็ศีลหนึ่งอย่างไงปาณาติบาตเหมือนกันแต่จะเริ่มเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยเปลี่ยนชีวิตตินรีไปเรื่อยๆกุศลศีลถ้าเราถ้าอยู่กับร้อยคนเราได้ศีลไปเท่าไหร่แล้วกุศลศีลของเราต้องเยอะแล้วถ้าสัตว์ทั้งโลกหมดเลยเป็นที่ตั้งแห่งศีลของเราทั้งหมดนึกถึงใครทุกคนนึกถึงชีวิตตินรีทั้งหมดที่เรียกว่าสัตว์นะ เพราะคำว่าสัตว์ชีวิตตีนรีย่เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งการเรียกว่าเป็นสัตว์เมื่อชีวิตตินทรีย์เหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งสัตว์เราก็น้อมมรณาสิการว่าเราจะไม่คิดค่าละตา่างวันนั้นอีกไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดตําหนิเป็นต้นเนี่ยนะก็จะเริ่มเป็นกุศลศีลที่ประนีต ย, ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเมื่อกุศลศีลประณีตยิ่งขึ้นเนี่ยน้อมเอาศีลเหล่าเนี้ยศีลเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อเพื่ออะไรปราโมดปราโมดจะเป็นไปเพื่อ ตตเพราะฉะนั้นเราจะนึกถึงใครก็ช่างแถอเป็นที่ตั้งแห่งศีลเราหมดเลยเพราะเราวิรัติหมดเลยอ่ะเรามีรัตหมดกับทุกสัตว์ทุกอะไรจริงๆเลยะนะอันนั้นเป็นกุศลศีลของเราทีนี้ถ้าเราน้อมเจริญเมตตาอย่างนี้เอ่อเจริญศีลแบบนี้บ่อยๆตามด้วยอะไรรู้ไหมเมตตาเดี๋ยวเรียนหาระข้างหน้าจะมีในในเนติประกรณเนี่ยนะจะหาระใช่ไหมจะมเทีเรกว่าอาโทสะจะดีขึ้นถ้าอาโทสะดีขึ้น เมตตาก็ได้ถ้าสัตว์มีทั้งโลกนะเราคิดให้ทุกคนมีความสุขได้ทั้งโลกท่านจิตของเราสามารถเป็นฌานในจิตได้ถ้าน้อมไปเพื่อจะเจริญสําคัญว่ามีศรัทธาจะเจริญหรือเปล่าแค่นั้นนะ่ะมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะนะถ้ามีศรัทธานิชนะไปครึ่งละเห็นไหมส่วนสําคัญก็อย่า ก, กินลูกท้อกันแล้วกันเนี่ยนะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่าไปลดเห็นไหมกุศลก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นดีเจริญยิ่งขึ้นทีนี้ก็เอาศีลเหล่านั้นเนี่ยเป็นบาปเจริญวิปัสสนาเนะี่ย ถามว่าอชีวิตตินรีย์เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญวิปัสนาได้ไหมได้ชีวิตตินรีย์นั่นแหละเป็นตัวรักษาอะไรวิบากรและกรรมชรูปวิบากกรรมชรูปก็คือขันธ์หาถามว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกเที่ยงไหมไม่เที่ยงนะเนี่ยก็นั่นแหละชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละถามว่าชีวิตที่เขาเกิดมาแล้วไม่เที่ยงด้วยชีวิตนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เป็นทุกข์เนี่ยนะใครบอกว่าเออเนี่ยที่เกิดแล้วก็อยาแก่ที่แก่แล้วก็อย่าเจ็บที่เจ็บแล้วก็อยาตายเนี่ยนะได้ไหมมีอําใครมีอํานาจกับชีวิตอย่างแท้จริงบ้างก็ไม่มีอีกนั่นแหละหลังก็ตามเห็นชีวิตเหล่านี้นี่แหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะตามอนุปัสนาทั้งหลายก็สามารถที่จะถอนฉันทราค่าในชีวิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฉันทราค่าในชีวิตในภายในและภายนอกพระอรหันต์ท่านท่านกล่าวว่า ท่านเป็นผู้เสมอกันในความเป็นและความตายเนี่ยนะมีชีวิตกับสิ้นชีวิตความคิดของพระอรหันต์ว่าไม่ต่างกันเนี่ยนะถ้าชีวิตมันเกิดขึ้นเพราะมันได้ปัจจัยกองทุกข์ก็เกิดขึ้นถ้าสิ้นปัจจัยนะสําหรับท่านเนี่ยถ้าสิ้นปัจจัยก็คืออสังขตะทะอสังขตะธ า, าต่อไปก็ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งการที่ไม่ต้องสร้างทุกข์ต่อไปนี่เป็น ความสุขอย่างยิ่งแต่ต้องใครที่คิดอย่างนี้ได้นะต้องมองเห็นชีวิตเป็นทุกอย่างยิง่งเหมือนกันเหมือนกับว่านึกถึงโยมคนหนึ่งนะเขาเขาเป็นไม่สบัด <LinkedIn> เขาก็ถูกฉีดยายอยู่ทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าย็นเช้าเย็นไหมก็ก็คิคดเสมอนะขอให้มันเข็มสุดท้ายเถอะขอให้มันเข็มสุดท้ายเถอะเนี่ยมันเจ็บอยู่ทุกวันเนี่ย พันคนที่มองเห็นว่าแต่ละเข็มเนี่ยโอ้โหมันมั น, ม, นมันเสียดแทงขนาดนี้เลยนะเรียกว่าน้ำในวินัยของพาริยานั้นถ้าเห็นว่ามันเสียดแทงขนาดนั้นจะรู้ว่าอา ก, การที่ไม่ถูกไม่ไ ม, ไม่มีสังขารธรรมเหล่านั้นมันเป็นสุขจริงๆอ่ะจนกว่าจิตที่จะน้อมไปเพื่อถ่ายถอนความยึดถือการละความยึดถือไม่ได้แปลว่าไปฆ่าตัวตายอะไรหรอกเนี่ยนะบางคนเนี่ยกลัวจะบรรลุเพรากลัวตายเนี่ยนายัางก็ว่าไม่บรรลุแล้วจะไม่ตายอย่างนั้นเลยก็ตายเหมือนเดิมนั่นแหละ พัทนท่าเพียงแเรวก็น้อมไปตัดฉันธราคะเนี่ยนะก็คิดดูว่าผู้ที่สิ้นตันหาเนี่ยคือผู้ที่ชนะทุกทั้งปวงนะเขาบอกว่าสรราาาัพพะทานนางธรรมทานังชินาติใช่ไหมให้ทําเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงอะไรเนี่ยความสิ้นตันหาเนี่ยชนะทุกทั้งปวงเนี่ยนะถ้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการชนะชนะทั้งหลาย นั้นทำยังไงที่จะสิ้นตันหาได้ถ้าสิ้นตันหาได้นั่นแหละที่สุดแห่งวัตทุกขเมื่อวานถามโยมคนโยมเห็นไหมรถมันเสียข้างทางและมันไม่ใช่รถเราใช่ไหมใช่เขาบอกถ้าเป็นรถเราอ่ะยิ้มอย่างงี้ไหมไม่ยิ้ม อ, อะไรอะไรก็ตามเถอะถ้าสําคัญว่าเป็นของเราหรือเป็นเรานะอูอะไรจะทุกเท่านั้นไม่มีอะทุกความเพราะความยึดถือว่าเป็นของเราเนี่ยนะ แต่ถ้าอะไรก็ตามถ้าเราไม่ได้ยึดถือว่าเป็นของเราเนะ่จะไม่ทุกข์เลยโดยที่สุดนะถ้าเราไม่ยึดแม้กระทั่งความคิดอันนี้ว่าเป็นของเราแต่ไม่ยึดเนี่ไม่ใช่ไม่ใช่งงนะไม่ได้แปลให้บอกอย่างนั้นนะว่าทําตัวเฉยๆซื่อๆนะไม่ใช่แต่รอบรู้สิ่งนั้นจริงๆว่ามันไม่ใช่เราเพราะอะไรแยกแยะไขควนจนละเอียดรอบคอบแล้วนะถ้าละคลายความยึดถือได้นะคิดดูนะเขาจะดูหมิ่นเราก็ไม่ไม่เสียใจอ่ะเนี่ย เขาจะชมเราก็ไม่ฟูอย่างเงี้ยนะพูดถึงแบบสำนวนแบบพระพุทธเจ้าเลยนะพระษารีบุตรท่านชมพระพุทธเจ้าว่าผู้ใดจะเอาของหอมไปลูบพระศรีระข้างหนึ่งหรือแขนข้างหนึ่งกับพระพุทธเจ้าเอาแขนอีกข้างหนึ่งเอาเอาพร้าเนี่นะเอามีดมาแล่เนื้อออกพระองค์เนี่ยมีจิตเสมอกันไม่ได้ยินดีเพราะถูกเอาของหอมมาลูบไม่ได้เสียใจเพราะจะเอาอันนั้นเอาเอามีดพร้ามาถากนี่นะแล้วก็บอกว่า ถ้าพระราหุลจะเป็นหรือจะตายพระพุทธเจ้าก็ใจเสมอกันเนะีนะ่ยะคิดดูว่าจะมีความสุขขนาดไหนแต่ว่าตัณหาเรามันไม่ค่อยยอมง่ายๆหรอกเออถ้าหมดตัณหานสนุกตรงไหนเนี่ยถ้าก็บอกว่าเอาแบบพระธนิยะท่านพูดหรือมนันพูดบอกผู้มีบุตรก็มีความสุขเพราะบุตรใช่ไหมผู้ที่มีภริยาก็มีความสุขเพราะภรรยาเพราะบุตรของเราก็ว่านอนสอนง่ายภรรยาของเราก็เชื่อฟังเนี่ยนะนะแต่ละ ถามว่าอย่างนั้นตลอดไปไหมไม่ตลอดไปหรอกเนี่ยนะเดี๋ยวเพื่เขาบอกว่าให้ตรงๆเลยนะเราดีใจกับสิ่งใดที่สุดนะสิ่งนั้นจะนํามาซึ่งความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่สุดเนี่ยนะาคนที่รักบุตรมากที่สุดแล้วบุตรเที่ยงหรือไม่เที่ยงบุตรก็ไม่เที่ยงแล้วเราเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าเราตายจากบุตรมันก็ทุกข์พอๆกับบุตรตายจากเรานั่นแหละแล้วภาะการทั้งหลายในโลกนี้เป็นเช่นนี้แหละเนี่ยนะแต่ว่า สำหรับศัพท์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นเนี่ยมีอวิชชาเป็นนิวรณ์กางกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดเครื่องร้อยเครื่องรับเนี่ยจียงยอมเสียน้ําตาไปแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยเก็บน้ําตาไว้มากกว่าน้ําในมาหาสมุทรอีกนะวันในคัมพีท่านบอกว่าพระพิสุไปดูทะเลเนี่ยควรแต่ว่าไปดูไม่ใช่ไปที่ที่เขาไปกันเยอะๆนะหมายความว่าไปไ ป, ไปแอ บ, แอบดูหน่อยแต่เขาไปใส่ชุด เบาบางทไหนก็ไปดูแถวแถวนั้นจะได้โปร่งไม่ใช่หรอกแต่หมายถึงว่าไปไปเห็นแล้วจะได้พูดถึงสถานที่ที่มองโอู้น้ํามันสุดสุดตาเป็นต้นเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าถามสัมมาเนรูปหนึ่งสัมมาเนรเห็นทะเลแล้วคิดยังไงบอกว่าน้ําตาของข้าพระ อ, องค์ที่ไหลในวัดกะเนี่ยมากกว่าน้ำมหาสมุทรพระเจ้าค่านะถามว่าถ้าเห็นภูเขาเนี่ยควรไหมควรเพราะว่าแต่ละชาติแต่ละชาติถ้ากระดูกทั้งหลายที่เป็นโครงถ้ายังตั้งอยู่นะ ไม่รู้จักเน่าสลายเฉพาะชาติที่มีกระดูกอย่างเดียวนะก็มากกว่าภูเขาลูกหนึ่งต่อกับนะไม่ใช่ทั้งตลอดสายที่ผ่านมาเฉพาะในกลับเดียวเนี่ยกระดูกนี่กองโตกว่า น, นั้นอีกฉะนั้นพระองค์ก็บอกว่าคู่ควรแล้วที่จะเบอร์นายในขันห้าเนี่ยนะคู่ควรแล้วที่จะคลายกำหนัดเนี่ยนะถ้าเหมือนกับถ้าเราใครเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญามามากๆเนะี่ยก็บอกว่าเออคู่ควรเลยนะที่จะละตันหาใน ปลายลิ้นเนี่ยนะควรแล้วที่จะละปัญหาในปลายลิ้นสักทีหนึ่งคือถ้าสมพูดแบบใครที่ทานอะไรแล้วท้องเสียบ่อยๆบ่อยๆแต่ก็ชอบอาหารนั้นมากอะนะทานทานเสร็จก็ท้องเสียแต่ก็ชอบอะนะแล้วเป็นอย่างนี้บ่อยๆก็บอกโอ้มันคู่ควรแล้วที่จะเบื่อนายเนี่ยนะแต่ก็โอ้ขนาดนี้ยังไม่สะเทือนน้องอยังไงหรอกคล้องมันมาตั้งนานแล้วนะพูดถึง การพิ่เจรณาอัฏฐธรรมะต่อไปนะว่าคําว่าอริยสัจที่กล่าวไปว่าความรู้ในทุกสัจความรู้ในนิโรสัจเป็นอะไรอัฏฐปฏิสัมพิทาความรู้ในสมุทยัยสัจความรู้ในมรรคสัจเป็นธรรมะปฏิสัมพิทา